วันนี้สังคายนายคือรอยกรองธรรมะที่กระจายอยู่ให้มาเป็นกลุ่มเป็นกอนเป็นนันดง้นเดียวกันจึงเรียกว่าสังคายนายทุกทุกคนที่พากันได้ธรรมะมาแล้ว แต่หากว่ารวบรวมธรรมะไม่ได้พระเจะกระจายย่ทุกแห่งทุกผลจึงต้องรวมเข้ามาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เรียกว่าสังขายนายข้างก่อนกระโนนท่านสังขายนายธรรมะ เอาวบหมดหนึ่งวิงนายไใบหมดหนึ่งพระพิธามใบหมดหนึ่งเรียกว่าสังขายนายครานี้เรามาสังขายนายตัวของเรา <c oughs> สังขายนายเฉพาะตัวของเราเนี่แหละไม่ต้องสังขายนายอื่นสิ่งที่เป็นรู ก็จัดเป็นลูกไว้ส่วนหนึ่งสิ่งที่เป็นน้มก็จัดเป็นน้มไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นที่เรียกว่ามีสองมีสองอย่าง <c oughs> คือลูกกับนม้มแต่หากว่าลูกนานต้องจำแนกแจกเอาไปเป็นส่วนส่วน เป็นธาตุสี่ก็อยู่ในตัวของเรานี่เอามาจำแนกออกให้ดูอาการสามสิบสองที่เรียกว่ามีดินน้ำเด็กไปกับลงไม่ได้เข้าจำนวนไม่เด้ไม่ได้มีในทีน่นี้อย่างธาตุสิบแปดน้ำสิบสอง ลมหกไปสี่ให้สังขายนายดูให้เห็นในตัวของเหล่านี้แล้ท่าทิ่แปดคือผมขนเล็บวันหนังนเนินกระดูกเยื่อในกระดูกมามาหายใจตับท้งผืดใช้ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า สังขายานาทุกวันทุกวันให้มันเห็นเฉพาะเจาะจงในตัวของเหล่านี้ <c oughs> นามทิบสองนามดีนามเสร็จนามเงือ้นามไข่ <c oughs> นามโม่นามลายนาไ ข, ข่ข้อ มุดต่างน้ำมุดเป็นที่สุดเห็นอาการทั้งสิบสองอย่างนี้มีในตัวของเราหมดทุกอย่างแล้วมีธาตุสี่คือดินหนึ่งน้ำหนึ่งอยู่ในตัวของเราเท่านี้ให้ลมละไฟยังไม่ได้พูดก่อน น้ำนั้นไม่ใช่น้ำเฉยๆน้ำดีน้ำเสดเป็นของปฏิกูเป็นของเปื่อยของเน่าของเน่าแล้วมันยังค่อยไหลออกมาส่วนเล็กๆน้อยๆซึมซาบไปทั่วทั้นทางกายส่วนใหญ่เรืองออกมาเรียกว่าปัสสาวะ หากดินนั่นส่วนเล็กๆ น, น้อยๆนั่นปีกย่อยไปที่เรียกว่าอาหารมันซึมมันเข้าไปหล่อเลี้ยงแล้วมันก็ซึมซาบไปทั่วทุกแห่งทุกคนเส้นน้อยเส้นใหญ่สารพานกายทุกส่วนมันซึมซาบออกไป ส่วนที่เป็นกาศเป็นเศษเออกไปมันก็ไปเป็นอจรัของที่เป็นอุจระกก็เป็นของสกปรกโสโครกนาเกียรติมีในตัวของเราทั้งหมดตัวของเรานอน เฝ้าโนกายอันนี้นอนเฝ้ากายอันนี้อยู่ไม่รู้เท่ารู้เรื่องว่าตัวของเราสศกโรกโศโคกเพียงแค่ไหนพอเหไมาได้สังขายยายสังขายอนายนได้ก็จะเบื่อนายหน้าเพินเกลียด <c oughs> เข้าพับตำราที่ท่นว่าไว้นอนเฝ้าขี้ดินคือเห็นเห็นก้อนอันนี้เป็นก้อนดินแต่นอนเฝ้าก้อนดินอยู่ถือตนถือตัวถือเราทือเขาเป็นแบอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี ว่วดีแก่ตายอัตบายแก่โลกนั่งโง่งมแก่เดวและว่าตนหูกตนคือผีเห็นดียังไรงรับเพราะเหตุก้อนดินก้อนนี้แหละผสมติดก้อนขึ้นมาแล้วปั้นขึ้นเป็นก้อนผสมกันกำ น, น้ำ ดินะสมกับน้ำแล้วก็ปั้นเป็นก้อนขึ้นมาตัวตันหาเป็นนายช่างปั้นเป็นก้อนขึ้นมาเป็นรูปหญิงรูปช า, ายรูปหนุ่มรูปแก่เลียวแล้ ว, วต่ตัวหุบตัวนั่นเหมือนผีคือผีคนตัวหนึ่งเหมือนกันวดดีแก่เึ้นดีขึงนใด มันจะมีดีวิเชรโสอะรก็ผีตัวหนึ่งคือแท้นั้นส่วนไฟนั้นมันจอนมาแล้วส่วนลมก็จอรมาถ้ามีธาตุสี่แล้วลมไฟยังค่อยตั้งอยู่ถ้าไม่มีธาตุสีแล้วไม่มีดินน้ำแล้ว ลมก็ไม่มีไฟก็จอนมาไม่ได้ธาตุ 5, 4, 5, 1, สี่้ายศูนไปไฟเลยลงก็สลายก็มาตัง้งอยวไม่ได้ไฟมาตั้งอยู่ไม่ได้ลมมาตั้งอยู่ไม่ได้ธาตุสี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ เรียกว่าธาตุแตกเรียกว่าธาตุแตกจากกัน <c oughs> ลน ม, ใ, ม ใ, ในเจีงตองหายใสธาตุสีหายใจเข้าใจออกไม่ใส่ธาตุดินธาตุน้ำ หายใจเข้าหายใจออกลมพัดลมเบื้องบนลมพัดขึ้นเบื้องบนคือมันให้อืดให้ท้องเฟ้อท้องขึ้นเจ็บหัวเจ็บข้าวตัวศีสะอันนั้นมันลมขึ้นข้างบนลมข้างลงลมพัดลมข้างล่าง หายอุจจาระปัสสาวะท่าลบไม่เบ่งออกไปมันก็ออกก็ไม่ได้มันนี้เรียกว่าลมข้างล่างลมพัดไปตามตัวลมกายของเราเนี่ยมันต้องพัดอยู่ทั่วท่านสารผ่านกายท่านลมมันมีคนหนักคือว่ามันตายแล้วหนักเพราะลมมันพัด อยู่นี่แหละมันชูลมชูลมอยู่ลมชูมอยู่จงค่อยเบาตัวของเราลมในท้องในทอ้องอืดท้องเฟ้อเจ็บคัดหน้าคัดหลังเราเรียกว่าลมในท้องลมในใส ลงในท่องในใจลงพัดไปในตัวอันนี้ธาตุลงธาตุาไฟคือธาตุที่มันเผาอาหารให้ย่อย กันธามันมีไฟอยู่ภายในแล้วก็อาหารเราทานเข้าไปก็บูบเน่าแต่นี้ด้วยไฟกันกองอันนั้นแหละมันเป็นกองอันหนึ่งมันเป็นกองไฟอันหนึ่งเขาอาหารได้ย่อยเราทานอาหารลงไปของที่หยาบเช่นเนื้อก็เที่ยวไม่ละเอียดเช่นพัชก็เคี้ยวไม่ละเอียด หรือเช่นกระดูกนี่เป็นตน้นชเชี่ยวทำไมแฉละเดียวเพระเด็กคืนเข้าไปเรียกว่าคืนเข้าไปแล้วยิวภายในไฟกองนั่นแหละเผาอาหารต้มเพื่อีกที่หนึ่งไปต้มให้ ไฟนันต์ตมใหย่อยยับไปมันต้มใหย่อยยับพอแล้วมันก็ละลายไปตามเนื้อตามตัวตามเส้นตามเอ็น ต, ต, ต่างๆมันเรียกว่าฉันไอเรียกว่าฉันตะไอเรียกว่าไฟนันเรียกว่า ให้ไฟยังเผาอาหารให้ย่อยไฟอีกอย่างหนึ่งเขากายสุดโสมเปื่อยให้สุดโสมให้แก่งอง่อมให้เท่าชราลงทุกทีทุกทีไฟอันนี้ก็เป็นไฟกองหนึ่ง <c oughs> ไฟอีกกองหนึ่งสรรจะขับขี่ไฟร่ากายให้เผาเผาอาหารในย่อย <c oughs> <c oughs> อะไรอีกสองอย่างลรื่อยไปจ้ะ ไฟทั้งสี่กองนี่แหละเผาตัวของเราอยู่ตลอดคืนตลอดวันถ้ามีไม่มีไฟแล้วก็ตัวของเราก็เยน็นลงไปตายให้คิดดูสี่ประการนี้แหละประกอบกันได้สัตไส่วนยังค่อยยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนนิยาบท หมุนเวียนไปมาถ้าคนเราไม่มีธาตุสีน่นี้เดินก็เหินก็ไม่ได้พลิกทิงตี ง, งตัวก็ไม่ได้พิบไว้ไปมาก็ไม่ได้ท่านยังว่าจากทั้งสี่มันต้องหมุนเวียนไปอย่างนี้ พระพุทธเจ้าหรืออริยสงสาวกท่านเรียกคนถ้าไม่เรียกคนท่านเรียกว่ิริยยนจะดูจักรกังเข า, ามีจักรสี่คือมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้มันต่อเนื่องกันมนเกี่ยวผันนกันยังค่อยหมุนเวียนไปได้ท่านว่าจักรสี่ <c oughs> มีทวานรเก้าทาว น, นักทวานรเบา <c oughs> หูสองหูสองตาสอง <c oughs> และปาลารีกายไอปลาไอลีนะกาย มีเป็นเก้ามีถาวรเก้ามีชักสี่มีถารเก้าหมุนไปอยู่อย่างนี้ยังไม่ต้าตายมีอะไรแล้วเหลือเลยค่ะนี้คนเรามีอะไรเหลืออยู่เพยังเหลือได้ท่าสี่น้าไฟลมยังเหลือจะจักสี่ถารเก้า ต่านั้นไม่มีเรื่องนีราวมีสังขาเยนายพิจารณาตัวของเราอย่อยางนี้มันจะเห็นตัวของเราเป็นของสวยสดงดงาม อ, าอะไรกันมันจะนาเพิดเพลินดีอะไรกัน เป็นแต่หมูนไปอย่างนั้นจักสี่มีแต่หมูนไปอย่างนั้นมีถวานเก้าไหลออกทุกอยาก่อางอสุภพปฏิกูลมันมีอะไรเป็นของเปลือยเน่าเอาของเปื่อยเน่านี่ไปอวดเขา อวดดีอวดดีอวดดีเชรษฐีโสววดสวยววดงามเอาของเน่าเนี่ยไปอวดหน้าอับอายขายหน้าก็จะตายแล้วของไม่ดีเอาไปอวดเขาทำไมเฮ้ยอวดใครๆก็มีอยู่เหมือนกันมดคนที่ผู้รู้แล้วละอายแทบตาย คนผู้ไม่รู้เน่ยไปอวดเขาเห็นว่าตนคล่องตอนเั็นค่องดีอันแท้ที่จริงทั้งเอาขี้ไปอวดกันแท้แท้ที่ให้พิจารณาอย่างนี้จึงจะเป็นธรรมต้องพิจารณาอย่างนี้อยู่เป็นนิจคิดมันก็นสลดทั้งเวส จิตมันก็สงบเยือกเย็นเพราะเห็นเหตุเพราะเห็นโทษมันเป็นเหตุในเพลิดเพลินันมเมาจิตก็เข้าสู่สมาธิภาวนาได้อย่างดีเอาละ น, นี่แหละี <c oughs> กำหนดจิตอยู่กับจิตนั่นเดียว มันก็เป็นสมาธิเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรมากมายเมื่อตั้งจิตให้เมื่อตั้งสติลงที่จิตลงเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นแหละคือสมาธิไม่ต้องไปอื่นไกลไม่ต้องไปหาที่ไหน ที่นี่เลเป็นที่รวมของธรรมะเป็นที่รวมของพุทธศาสนาพุทธศาสนาทั้งหมดท่านให้มีสติอันเดียวที่ไหนที่ไหนก็เอาเถอะไปดูเถอะตำลับตำลาที่ไหนขาดสติแล้วเป็นอนุช่ไม่ได้ ติตัวนี้แหละตั้งมันกำหนดที่จิตจิตมันจะไปไหนก็เห็นมันอยู่รู้มันอยู่คิดดีคิดชั่วยอยากละเอียดก็รู้มันอยู่เมื่อรู้เท่ารู้ตัวอย่างนี้มันจะไปไหนล่ะ เขาอยู่กับที่ทันมันอยู่นั่นแหละมันพิจารณาเ น, นี่ยมันมันส่งมันสายมันก็อยู่ที่สตินะคุ้มยัน แ, นแต่สติตามรู้นั้นอันหนึ่งสติรักษาอีกอย่างหนึ่งสติตามรู้นั้นรู้ฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะตามรู้อยู่ ด้วยสัยรักษาค่ะนี่ไม่ให้มันไปให้อยู่ในที่เดียวไม่ไปไหนะดึงมาในที่เดียวนยเรียกวาสัยทิศรักษาวสัยรักษานี่ททำได้ยากแต่คล้ายๆกับเป็นของง่ายแต่ทำได้ยาก สติตามรู้นั้นทำง่ายแต่หากอุบายไม่มีสติรักษาในอุบายเกิดขึ้นเมื่อจะรู้ก็รู้จากสติรักษาให้สติรักษาเพราะเกิดความรู้ปุ๊ขเ้ิมาเพราะรักษาใจนันไว้ มันยับจะเกิดของลู้ขึ้นเป็นของอัจจังแต่ประหลาดหน้าเพิดเพลินเพรสตินั้นรักษาไว้ทำสมาธิโดยสติรักษาจะเป็นสติตามอ้นานหายใจอากแล้ว